ธรรมชาดกแผ่นที่12ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าพระอรหันต์ดูแลพระอรหันได้ยินเถาะอ อ, อสุจิตพูดมกเมอก้ไยวะ มันชะนีมันร้องผิดปกติได้ยินว่ามันวันนี้ประกาศกดอายการศึกใช่ไหม <laughs> วันนี้วันนี้เขาประกาศกดอายการศึกนะพวกเราจะไปชมรมกันเกินสามคนนะกันสองคนคุยกันได้อยู่ <laughs> โอ้บ้านเมืองไม่รู้จะว่ายัางไงนะลูกหลานเะนี่ยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะว่ายัางไง ทิฏฐิมานะถ้าทุกคนหวังดีด้วยกันหมดทุกคนคันพูดถูกต้องแล้วก็ยอมรับกันมันกวอีกยากกิเลสนี่ยยากยากยา ก, ยากมากๆ ว, วันนี้เป็นวันที่สิบเก้าพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้พระ ในพัดของเราทั้งหมด34รูปวดฉันสามรูปแต่ว่ามีนาค่านะนาคห้าคนแล้วก็คุณชายชกดีสารคุณวราพรพร้อมครอบครัวได้มอบเงินได้มอบค่าเตียงให้โรงพยาบาล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 ใหม่เนี่ยก็พออหญิงของพวกเราเนี่ยได้เครื่องเอ็กซาเลจากอาจารย์หมอพงศักดิ์ที่มาบวชที่วัดของเราศึกออกไปแล้วท่านก็เอาให้เครื่องเอ็กซาเลราคาทั้งสมล้านกว่าบาทเนี่ยคราวนี้ก็คุณชายศิิสานชุมพลพร้อมกับครอบครัว อ, ออาพอ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 เตียงธรรมดาแบบหมุนหมุนแบบเตียงแบบหมุนธรรมดาเนะี่ยเจดเตียงแล้วก็เตียงระบบไฟฟ้าสองเตียง<ม>รวมแล้วเป็น9้าเตียงเป็นเงินทั้งหมดสองแสนหนึ่งหมื่พันห้าบาทสองแสนหนึ่งหมื่้าบาทนี่นะหลวงพ่อมอบภายแล้วนะที่นี่นะกลับมอบเพื่อจะไปส่งให้กับ เจ้าของเตียงเขาเตียงห้องเราก็เอามาใช้แล้วละ่กะก็ดีเอามาใช้ก่อนนานี้แล้วไม่มีปัญหาเราจึงได้หลวงพ่อก็ได้นำทำเช็คที่กุณชายถวายผ่านหลวงพ่อนะหลวงพ่อได้ทำเช็ค ก, ก็ะอบให้นี่ยทางผ อ, อโรงพยาบาลนายุงของเราเนี่ยล่ะ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 เราไม่ได้มองแต่วัดของเรานะมองรอบๆด้านรอบๆข้างอีกเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้แม่ของครูบอแผนใช่เนี <c> ่ย <oughs> แม่ครูบอแผนมาคูบอแผนบวชทีแรกก็จะบวชชั่วคราวแต่ตามไม่จรงิงคูบอแผนสนใจธรรมะมาตั้งแต่ก่อนบวชหลวงพ่อมาถามเด็ก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 หลวงพ่อรับรองรับประกันได้เลยว่ากูบ่แพนเนี่ยจะต้องดูแลแม่คนหนึ่งไม่แพ้พี่พี่สองคนนั้นกูบาดท่านจะต้องดูแลท่านจะไม่ทอดทิ้งพ่อแม่เพราะเหตุไรเพราะหลักของพุทธศาสนานี่สอนอย่างนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่สอนให้ทอดทิ้งพ่อแม่ให้รักเคารพปฏิบัติพ่อแม่เพราะหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดพระพุทธองค์ ประสูตรมาได้เจ็ดวันพระมารดาสวรรคตขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิษฐนะ์เป็นเทวบุตรอยู่น่นพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศพระศาสนาพอทรงขวรเลยยังขึ้นไปโปรดพระมารดาอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดุสิษฐ์อยู่ที่นูนถึงสามเดือนไม่ได้ลงมาเจนออกพรรษาค่อยมาใช่ปะเราตักบาตรเทโวโบนั่นะคือท่านขึ้นไปโปรดพระมารดา บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะจากนั้นเมื่อพระองค์ได้ตดรัสรู้ไม่นานก็มาโปรดพระบิดาที่กรุงก บ, บิลพัทพระบิดาก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันต่อมาโปรดอีกครั้งสองได้เป็นพระอนาคามีโปรดครั้งที่สได้เป็นพระหรหันต์วรรคสุดท้ายหนึ่ว่ายกพระบิดาขึ้นฝั่งแล้วคืออภัตตคือไม่ใช่พระเจ้าจุโถสวรรคตนะ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 อย่างภาษารียบุตรก็เหมือนกันแม่เป็นมิจฉาทิฐิมีพี่น้องเดีวยวกันตั้งเจ็ดคนเวลาท่านจับปรินิพานถ้าอยังได้ไปนอนในห้องประสูตรยมแม่ของท่านที่ท่านห้องที่ท่านประสูตรที่ห้องเกิดของท่านโปรดมารดาของท่านจนได้สําเร็จพระโสดาบัตท่านก็เอืออื่ยกแม่ขึ้นไปบนสรนสวรรค์แล้ว ไม่ตกนรกแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วนะท่านก็ทําการปรินิพานภาษารลบุตรแต่พระโมคขาลาโปรดแม่ไม่ได้เพราแม่นดันทุลังอย่างสุดๆเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างสุดๆพระโมคขาลานสุดฤทธิ์ที่จะูกโปรดพระมารดามีพระโมคขาลานนัคงจะเป็นบุพกรรมหรือกรรมเก่าก็าไม่รู้หรือว่าเป็นกรรมที่ท่านเคยฆ่าแม่มาหรือว่าแม่คนนี้หรือเปล่า วิญญาณแม่คนนี้ระเล่ากับพระโมกขาลาจึงลงกันไม่ได้เนี่ยพระโมกขาลาจะโปรดแม่โปรดไม่ได้แม่ก็เลยตกไปทางต่ำกันนอกนั้นพระาราหันทางหลายทางปวงเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งมารดาบิดาอย่างองค์หลงตาก็เหมือนกันอพอท่านได้สำเร็จมรรคผลท่านก็ไปอยู่ที่ห้วยทราย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 หลวงพ่อมาอยู่ท่าน12ปเนีเวลาอาหารเข้ามาประเคเนหลวงพ่อก็จัดตักอาหารแล้วก็ส่งถวายลงตาลงตาก็ส่งต่อแต่หลวงพ่อเน้ตัดอาหารสาหรับเลี้ยงแขก เ, เลี้ยงแขกแล้เข้าไปในครัวด้วยลงตาถ้าเห็นทุเรียนมาเนี่ยลงตาเออโยมมันดานะโยมมันดาเรามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เพราะโยมมันดาอ่าไม่ได้อยู่เพื่อใครอื่น เราอยู่เพื่อโยมมันดาเราท่านพูดเท่านั้นเราจะอึกในใจของเราอืลงตานี่ลำเลิกถึงพระคุณของโยมมันดาของท่านอย่างสุดซึง้งเพราะนั้นอาหารประเภทไหนที่โยมมันดาชอบเถ้าลงตาเตือนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นล่ะเราจะรู้ได้เลยอือันนี้อาหารโยมมันดาชอบอย่าให้ท่านได้พูดเป็นครั้งที่สองที่สามเราก็ตักอาหารใส่นั่นแนหะ ใส่ให้ถาดของโยงมารดาของท่านเพราะท่านมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดมาอยู่เพราะโยมารดาของท่านท่านเกี่ยวข้องกับโยมารดาของท่านเราต้องอ่านให้ออกอนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่ออยู่เท่นั้นเป็นเวลาสิบสองปีหลวงพ่อได้เห็นอากัปกิริยาของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อโยมมมรดาของท่านอย่างหลวงปู่มั่นก็เถอะ หลวงปู่มั่นเลยนน่นะพอแม่ท่านมากท่านก็บวชเป็นชี้ให้ท่านก็นํามาเนี่ยมาทั้งนครพนมแล้วก็ผ่านไปทางมกดาหารไปผ่านไปบ้านห้วยทรายโยมญาของหลวงพ่ อ, อยังพูดให้ฟังหามนะใช้หามคล้ายๆไว้ใช้สาแหลกสาแหลกยาวๆแล้วก็สองคนผู้ชายก็หามเพราะโยมมัรดาของหลวงปู่มั่นตัวผอมๆเล็กๆ หามได้สองคนหามไปตามทางเกวียนะพระหลวงปู่มั่นไปก่อนแล้วพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็ไปก่อนอโยมมันดาเขาก็หามหลวงปู่งปู่มั่นก็เดินตามหลังกับคณะสงฆ์โดยมากครับเจ็ดแปดองค์สิบองค์มาถึงบ้านห้อยทรายท่านก็จัดที่พักให้เล็กๆทางแยกเข้าไปไปที่พักของพระสงฆ์เวลาบินเท่าบาท กลับมาตอนเช้าอย่างเนี้ยท่านได้อาหารได้บาตรของท่านท่านก็ดูดูดูท่านก่อนเข้าไปแวะเข้าไปหาโยมมารดาของท่านก่อนท่านก็เลือกเลือกอาหารในบาตรของท่านให้โยมมารดาให้ทานก่อนนะแล้วก็ตอนเที่ยงอีกทานอีกที่หนึ่งตอนเช้าหนึ่งให้ทานก่อนพอเวลาพระจัดอาหารเสร็จแล้วเอามาให้มันสายเกินไปท่านดูถึงขนาดท่านดูโยมแม่ของท่านจากท่านท่านก็เอาอาหารให้โยมแม่ของท่าน จากนั้นท่านก็เดินอพระก็เดินตามหลังเข้าไปในวัดท่านองพระไปองค์หนึ่งตามหลังของท่านไปท่านก็เลือกอาหารเลยโยมแม่อาหารเนอะพอต่อมาโยมญาของหลวงพ่อเนี่ยนะไปเห็นเอ้ย่าท่านมั่นเนี่ยท่านทําอะไรตรงเนี้ยนะท่านเข้าไปทําไมพอก็เลยไปไปนั่งดูดูโอท่านเป็นห่วงแม่ของท่าน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 พอไปถึงเอาเข้าวท่านทานข้าวเหนียวใช่ไหมเอาเข้าวเหนียวไปให้แต่ว่าเช้ามืดข้าวร้อนๆ อ, อีกไปให้โยมแม่ของหลวงปู่มั่นฉันก่อนท่านก็บอกว่าเอ อ, เ อ, อลูกเออแม่แดงเขาเอาอาหารมาให้แม่ทานนั่นแหะฉันนั่นแหะต่อไปไม่ต้องก็ได้แล้วเดี๋ยวแม่แดงเขาเอามาให้ทุกวันทุกวันอยู่ละละนี่แหละอันนี้ก็คือ หลวงปูค่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ห่างเหินจับพ่อแม่ของท่านท่านไม่ลืมเพราะท่านยึดแนวแถวปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระหารตัดสาวกยังมีพระองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีอยากจะบวชพ่อแม่ก็ห้ามในครั้งพุทธกาลมาในธรรมประทัศกฐานะมาในพระไตรปิฎกพ่อแม่ห้าม ก็เอาใจใจตัวเองอย่างว่ากันโอ้ถ้าผมไม่ได้บวชผมตายดีกว่าแม่เอบนอนไม่กินข้าวพ่อแม่ก็เลยออถ้าเป็นอย่างนี้ก็เอาบวชก็บวชลูกเอดีกว่าตายถ้าตายแล้วไม่เห็นกันถ้าบวชแล้วก็อย่างน้อยก็ยังเห็นอพ่อเห็นแม่ยังได้เห็นหน้าลูกอยู่เอ้าเลยให้บวชพอบวชเสร็จแล้วก็เข้าป่าแล้วอย่านัะปฏิบัติพอเข้าป่าแล้วก็ยังแอบถ้าออกมาถึง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 พ่อแม่ของท่านจนแล้วนะตกทุกข์รยับพอพระ อ, องค์นี้จะเย็นแล้วโอ้ตายมันเป็นเพราะเหตุไหนน้อพ่อแม่เราจึงเศรษฐกิจหรือว่าการเป็นอยู่จึงล่มจมขนาดนี้นะั่น ก, ก็ ร, รีบออกมาจากป่าป่าก็มาเห็นพ่อแม่ทุกจนจรๆๆิงๆริงเพราะตรงนี้เอาไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่เดี๋ยวผมจะเลี้ยงเออเป็นพระที่เลี้ยงพ่อแม่ท่านก็ทําไปทํากระต๊อปทางหลังวัดพ่อแม่ก็อยู่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 มาบวชถ้าทำไม่ได้ทําให้ศาสนาของพระพุทธเจา้าคนตําหนิดได้บวชมาเพื่อเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยป่านนี้พระก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจา้าไปฟ้องอะไปฟ้องพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็เรียกพระองค์นั้นมาพอพระนั้นก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะท่านยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระหรหนะันต์เนี่ยใจท่านก็ไม่สบายใจตุบๆตอมตอมทุกข์ใจเหมือนกันพะเลี้ยงพอ่อไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูก แต่ไม่มีใครเลี้ยงเลยทำไงแต่ใจของท่านนลยเต็มเต็มหัวใจว่างั้นที่จะดูแลพ่อแม่พระองค์ก็เรียกมาเรียกมากะถามว่าทาไมเธอบินรบาดหรือว่าเอาของใช้ให้พ่อแม่อย่างนั้นใช่ไหมพ่าเอานั้นก็บอกพระเจ้าข่าข้าพระองค์ได้นำอาหารให้พ่อแม่กินก่อนจากนั้นข้าพระองค์จึงฉันต่อภายหลังถ้าข้าพระองค์ได้พามา ว่าพ่อแม่ผ้าขาดเสื้อขาดข้าพระ อ, องค์ก็ได้นำเสื้อผ้าได้ผ้าที่รับไปรับทานที่เขาถวายมากับผมก็มาทำให้เป็นสีเสีย้ว่าเอาสีดำสีแดงสีต่างอะไรมาย้อมให้มันเป็นคราวาสใช้ได้ก็ผมก็ได้มอบให้จริงพระเจ้าค่ะทำไมเธอจึงทำอย่างนี้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 ดูแลเลี้ยงพ่อแม่ครับผมทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านจะตาหนินะพระพุทธเจ้าสาธุสาธุสาธุาธอ่ะนี่แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายควรเอาเป็นตัวอย่างอ่าเราเกิดมาพบใดชาติใดถึงเราจะเป็นนกแขกเราก็ยังเลี้ยงพ่อแม่เราเป็นนกโขงเราก็เลี้ยงพ่อแม่เราเป็น ราชศีอยู่ในป่าเราก็ไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่เราถึงเกิดเราเป็นสัตว์ที่ราฉานเราก็ยังไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายดูแลพ่อแม่นะในยุคใดสมัยใดไม่มีศาสนาไม่มีใครสอนใครแต่ยังมีผู้ปฏิบัติต่อพ่อแม่รักเคารพในพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่อยู่เขายังไปสู่สวรรค์ได้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 เรือว่าทีแนวความคิดให้พ่อแม่เพราะว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วไม่จาเป็นจะต้องหาวัตถุไปให้ท่านออกเพราะพี่น้องดูแลอยู่แล้วอย่างภาษาลิบุตรพี่น้องของท่านท่านก็รวยพอเดินไปเมื่ออายุแปดสิบภาษาลิบุตรแม่ของคนคนจะเก้าสิบกว่าเลยมั้งเพราะภาษาลิบุตรก็จะป่าเข้าไปอายุมาก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 จนถึงวรรณะสุดท้ายตอนท่านจะปรินิพานแม่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะมาตายพูดง่ายๆท่านจะมาตายในในวันนีเ้เพราะว่าตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อพระองค์จะปรินิพานปีไหนาาพระสาวกทั้งหลายผู้มีญาณทัศนะท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานในช่วงนั้นท่านก็มองดูในอดีต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 แต่ว่าก่อนที่เธอจะปรินิพานขอเธอให้แสดงกรรมดีสิ่งที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตให้น้องๆได้ฟังก่อนนะสารีบุตรครับผมจากท่านท่านก่อนแสดงอิทิลิตเลยเเนะเพราะเป็นวาระสุดท้ายเลยนะกราพบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศจากนั้นก็พูดเรื่องบุพกรรมของตนเองอ่ ข้าพเจ้าสารีบุตรที่ที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทํากรรมอันไหนไวใน้ในอดีตนะฮะในอดีตจึงได้มาอยู่จุดนี้ฮท่านก็พูดให้ฟังสมัยนั้นเป็นลือสีอย่างนั้นนั่นหลังกันไล่พูดให้ฟังอจากนากาั้นโรมากะพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็ลาพพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นบริวารก็ห้อมล้อมไปดูบ้านนาลันทาน ในกรุงราชคฤห์นี่แหละอันนี้แหละคือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะทศัทยญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกองค์ให้ฟังเอาไว้วันนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้ยกประเด็นขึ้นมาให้พวกเราได้ฟังเนี่ยายังกกร่งใจอยู่ก็ให้ไปศึกษาค้นคว้าอีกในพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อพูดอ่านเรื่องพระสารีบุตร ไปรนิพานดูอ่านเรื่องพระที่เลี้ยงพ่อแม่ดูไปอ่านพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าดูมีทั้งหมดแต่อ่านจ ะ, จะหายากหน่อยก็คือหลวงประวัติหลวงปูมั่นหลวงปูมั่นหลวงตาเนะี่ยแลวก็กูบาอาจารย์ที่เป็นลูกของพ่อแม่ทั้งหลายทั้งปวงนะอันนี้หลวงพ่อยกประเด็นมา เกยบเทียบให้กับพวกท่านหลายได้ฟังได้ศึกษานะต่อนี้ไปแล้วพรณตเนเนาไปส่งอนโมทนาให้พร